สัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะบากาวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะ บาคาวะโตอะระหะโตสมมาสมบุทิสับุตรทังสารนังกัจามิดัมมังสารนังคัจามิ สังฆสรนังกัจจามีดุติยามปีพุทธังสรนังกัจจามีดุติยามปีธรรมังสรนังกัจจามี ดูติยามปีสังขังสรนังกัจจามีตาติยามปีบุตังสรนังคัจจามีตาติยามปีดามมังสรนัง กัจจามิตาติยามปีสร้างขังสารังกัจจามิอิติปิโสบากข้าวอะระหังสัมมาสามบุโร เวจาจารนสัมปันโนสุขโตโลกาวิโดอนุตตาโรโพริสัตถมมาสาริสัทธาเดวมนุต สานังบุตโตภควาติสวาคาโตภควาตามุสันทิเทโกอาคาลิโกเอหิปัสสโกปนยโก ปจจตังเวทิตาบโววินโยหิตีสุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกัสังโกอุจุปฏิปันโนภคาวโตสาวกสังโก ยยาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีเจปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยาทีทางจัดตาริปุริสยโยกานีอัต ท่าปุริสะปุกคลาเอสสะบะขวะโตสะวกะสังโกอหูเนโยปาหูเนโยดักขิเนโยอันจริกระนิโยอนุตตรังปุญญา เค่ต eh ังโลกาสติสาธุสาธุสาธุก็ขอโมทนากับพวกเรานะที่ได้ตั้งใจสาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณเมื่อสักครู่ก็ฟังยอมสนทนาทำให้คิดว่า พอพูดถึงในเรื่องของสีแลบารมีของพระบรมศาสดานะทำให้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงตอนที่พระองค์ทรงบาเพ็ญศีแลบารมีมาในกรณีที่พระผู้มีพรภาคเจ้าทรงบาเพ็ญศีแลบารมีมาเนี่ยแล้วยาวนานใช่ไตัวอย่างที่กล่าวไว้เนี่ยค่อนข้างมีเยอะแต่ถึงขนาดเยอะนั้นเนี่ยก็ ถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าบารมีของพระบรมศาสดาที่พระ อ, องค์ทรงสละและทรงกระทามาเนี่ยท่านบอกว่าท่านบำเพญ็ญศีลและบารมีมาเนี่ยท่ามาพิจารณาดูนะว่าเออในส่วนของการบำเพญ็ญศีลเนี่ยท่านบรรเมงบำเพ็ญโดยแบบไม่มีส่วนเหลือถ้าแบบไม่มีส่วนเหลือแปลว่าท่านทำมาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏใช่ มาพิจารณาดูตอนที่ท่านเป็นในจริยาวัดของพญาช้างศีลวนาคหรือศีลวนาคาในศีลนาคาจริยาการบาเพ็ญศีลลบา ร, รมีของพระผู้มีพระภาคเนี่ยท่านบอกว่าในการใดเราเป็นกุญชอนเลี้ยงมารดาอยู่ในป่าหิ ม, มวันในการนั้นในพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีผู้เสมอเราด้วยคุณคือศีล ถ ร, รมาพิจารณาอย่างนี้ท่านพูดตอนที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านย้อนอดีตตอนนั้นท่านเป็นกุญชรเป็นพญาช้างนี่เนี่ยท่านบอกว่าในพื้นแผ่นดินในพื้นแผ่นดินนั้นหาบุคคลที่เสมอท่านไม่มีเดงด้านของศีลนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าทั้งเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิตริคมศีล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 ช่วยเอาผลาผลเหล่านี้ไปให้คุณแม่นน้ อ, นนองอย่างนี้นะฝ่ายช้างทั้งหลายรับไปท่านฝากเยอะนะช้างทั้งหลายรับไปไม่เอาไปให้มารดาเอาไปเคี่ยวกินกันเองพระโพธิสัตว์ก็คอยสังเกตบ่อยๆนะเอ๊ะทำไมาแม่พร้อมลงอย่างนี้นะไม่อ้วน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 หรือแม่บางทีทําอะไรผิดพลา ด, าดบ้างหรือว่าบ่นเพ้อบ่อยๆ บ, บ, บ้างเใช่ไหมก็ต้องมาคิดเพราะถ้าเราบ่นเพ้อหรือทําไม่ถูกเราเสียศีลถ้าเสียศีลก็ไม่คู่ควรต่อการที่จะเดินกุศลกุศลธรรมชั้นสูงก็จะเสียหายไปด้วยต่อมาก็มีพานป่าคนหนึ่งหลงทางไม่สามารถกําหนดทิศ ท, ทางได้ก็ร้องไห้คำครวญคำครวญเสียงดังลั่นป่า ในขณะนั้นพระโพธิษัทว์ก็จะยินเสียงของพผานป่าก็ดำลิกบอกว่าชายผู้นี้ไร้ที่พึ่งใช่ไหมทีนี้การที่พระโพธิษัทเนี่ยเจอคนไร้ที่พึ่งเนี่ยท่านจะต้องคิดเหมือนกันว่ะถ้าโ พ, พธิษัทเนี่ยไม่ว่าจะเกิดชาติไหนน่ยถ้าเราอยู่หรือมีเราอยู่การที่ชายผู้นี้จะพินาศไปเนี่ยไม่เป็นงานสมควรใช่ไหมวิธีคิดของพระโพธิษัทว์ถ้าเป็นวิธีคิดของคนผานก็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 พอพูดว่าช้างพูดได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเป็นประเด็นมากใช่ไหมใช่โอ้เมนิทานหลอกเด็กโอ้ยุ่งเลยอ้าเดี๋ยวเล่าซะเลยถ้าไม่เข้าใจก็ไปถามท่านหมหาอำนาจเพราะท่านจบปเปลี่ยนปเปลี่ยนเก้ามาใช่ไหมพเป็นอย่างที่เอามาเล่ายิงคือภาษาเนี่ยภาษาของสัตว์โลก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 แต่ถึงแม้ว่ายังเพี้ยรแต่ของเราก็ยังคงภาษาบาลีไว้เยอะพูดกันแบบไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวกันหรอกที่พูดภาษาบาลีเนี่ยทั้งๆ ท, ที่อัตยาศัยชื่อก็ดีอะไรก็ดีในในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอิทธิพลบาลีนี่เต็มไปหมดทุกชาติทุกภาษาต่างๆที่เดิมทีเดียวก็คือว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโลกใบนิ้วบตดเกิดขึ้นใช่ไหม อาัสราผมก็ลงมาแล้วในสุดจริงก็มีชุมชนเกิดขึ้นมาดังกล่าวไปดูในอคัญญสูตรที่สุดก็จริงก็คือว่าภาษาดังเดิมก็คือนั่นแหละใช้ภาษาบาลีนัเข้านักเข้าเนี่ยพออายุการเวลาหลายร้อยกอดปีมาเนี่ยหลายร้อยปีมาเนี่ยภาษามันก็เพี้ยนไปเรื่อยแต่ก่อนสัตเตราชานก็ใช้ใช้ภาษาบาลีกันหมดใช้เขาก็สนธนาก็าคุยกันได้อย่างสบายๆใช่ไหม ฉะนั้นภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาดั้งเดิมของพวกเราเนี่ยเราเป็นภาษาที่เรารู้เรื่องรู้ราวกันอย่างดีฉะนั้นคนฟังภาษาบาลีลองฟังไปเรื่อยๆเถฟังแป๊บเดียวก็เข้าใจไม่ยากหรอกสืบค้นไปเรื่อยๆรื่ ๆ, ๆืๆฟังนิดหน่อยหน่อยเพราะมันเป็นภาษาที่เราเคยตั้งอัธยาศัยไว้แล้วเราเคยเป็นมาแล้วอย่างตามลําดับเนี่ยนี้มันก็เพี้ยนโดยสรุปก็คือศาสตราฉานเขาก็ก สื่อกันด้วยภาษาบาลีก็พูดกันด้วยภาษาบาลีนะเข้ามันก็เพียเพ้ยนเพียเพ้ยนเวียนเพี้ยนมาเลยใช่ไหมต่อมาคนไทยก็อย่างคนจีนก็อย่างไปคนละเรื่องเลยเนะี่ยเวียดนามไปอย่างเกาหลีไปอย่างญี่ปุ่นไปอย่างทั้งฝ่ายท้งแถบยุโรปไปอย่างไปคนละภาษาหมดเลยแท้จริง ต, ต้นตอก็มาจากภาษาเดียวกันใช่ไหมมาปัจจุบันนี้แม้แต่สุ น, นัขยังเห่าไม่เหมือนกันแล้วคนละประเทศต้ตงไปฟังเสียงเห่าไปคนละคนละอย่างเลยเห่าไม่เหมือนกันแล้ว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 พญาช้างก็ว่าอย่าไปกลัวไปเลยพ่อเราจะพาท่านไปที่เดินทางของมนุษย์บอกแล้วพาไปส่งอย่าเดือดร้อนใจแล้วท่านก็พาในพานให้ในพานป่านั่งบนหลังของท่านก็นำออกจากป่าแล้วก็กลับไปพานป่าลา ม, มกแล้วคำว่าลา ม, มกนี่คืออะไรคิดชั่วแล้วใช่ไหมลา ม, มกเป็นชื่อของอกุศลถ้าความโลภเกิดขึ้นในใจเขาเรียกลา ม, มกเกิดขึ้นใน ใ, นใจ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 ก็ไม่ต้องรู้จักเสาตะรุงไม้ยอมแสดงไม่เคยเห็นเขาคล้องคล้องช้างอยากให้พระสอนไหมคือเวลาเขาจะคล้องช้างเนี่ยก็จะต้องปากเสาเขาไว้นะเวลาปากเสาเขาไว้เนี่ยกรณีที่เวลาเ็ามัดช้างเนี่ยเขาจะต้องมัดช้างไว้กับเสานั้นแล้วก็จะต้องก็จะต้องในกรณีที่เวลาไปคล้องช้างต่างๆเราเนี่ย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 เง่บัวที่เขาทําเป็นน้ำปานาถวายพระตอนเย็นได้เนี่ย <c oughs> ควานช้างพอรู้เนี่ยควานช้างเห็นปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าตรัสบอกว่าแนดีดเนี่ยควานช้างพวเนี้ยรู้ศีลของเราแปลว่าอะไรเนี่ยรู้ว่าท่านพวกนี้ยมีทั้งจารีตศีลและวารีศีลใช่ไหมมีทั้งข้อปฏิบัติเนี่ย ในการดูแลพ่อแม่และดูคืออย่างนี้ท่านสท่านดูแลพ่อแม่ก็มีกุศลศีลในการดูแลท่านเชื่อมโยงทิศดาระหว่างตนกับพ่อแม่ควรปฏิบัติต่อพ่อคุณแม่โคตพ่อคุณแม่ยังไงท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจของท่านดํารงวงตระกูลเนี่ยทำตนได้เหมาะสมเนี่ยท่านรู้คิดด้วยนะข้อมูลนี้ท่านชัดถ้าท่านอุทิศไปแล้วท่านก็พยายามอุทิศส่วนกุศลไปให้นะกิจตรงนี้ท่านชัด แล้วก็ในกรณีท่านเชื่อมยงว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านเนี่ยท่านจะชัดเจนอย่างนั้นใครเป็นเพื่อนใครเป็นน้องใครเป็นบุตรใครเป็นภรรยาใครเป็นบริวารใครเป็นบุคคลทุกคนเคารพช้างว่าบริษัทเนี่ยท่านบำเพ็ญข้อปฏิบัติท่านชัดเฮ้ยถ้าเราบำเพ็ญไม่ได้อายช้างใช่ไหมสัตว์เดราานนัจฉานเนี่ยใช่ไหม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 และไม่โง่ใช่ไหมเป็นช้างฉลาดและเป็นช้างไม่ดุและมีปกติไม่คุกคลีไม่คุกคลีก็แปลว่าอะไรช้างรักษาศีลเรามีปกติคุกคลีหรือไม่คุกคลีคุกคลีั้ยชอบคุกคลีหมู่คณะเยอะๆั้มคุกคลีเป็นเชื่อของการครุกคลีด้วยกิเลสก็ได้นะคุกคลีด้วยกิเลสพระโพธิสตร์เห็นความช้างแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าตั้งยังไง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 เราถ้าท่านโกรธขึ้นมาเนี่ยเอานักรบให้ทั้งแคว้นเนี่ยพินาศลงไปได้แต่ถ้าเราโกรธอะไรขาดาอะไรขาดาถ้าถ้าโกรธอะไรขาดศีลเป็นอะไรศีลเป็นรากของกุศลเออศีลเ อ, อไม่ใช่ความโกรธเนี่ยเป็นรากของศีลใช่ไหมฉะนั้นถ้าถ้าโกรธขึ้นมาเนี่ยรากขาด ศีนก็ขาดเพราะฉะนั้นแม้ควานช้างจะหอกทิ่มแทงเราเราก็จะไม่โกรธไปท่านคิดก่อนไหมเนี่ยคนจะรักษาศีนเน่ยเขาให้คิดก่อนให้ชิดก่อนอา้าวคิดวันนี้ตั้งจิตรักษาศีลเนี่ยนะบอกว่าใครจะลาบสกาล่มาล่อเราก็จะไม่ให้ศีลวิบัติศีลจะไม่ขาดใช่ไหม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 แนวเข้าแน้าสำคัญปริมาณความคิดเนี่ยเราไม่ได้ไปรับจ้างให้คิดนี่ใช่ไหมคิดบ่อยๆนอนคิดก็ได้นั่งคิดก็ได้เดินคิดก็ได้คิดให้มันถินดีดีจริงๆใช่ไหมข้อมูลไม่พอก็ใส่ข้อมูลเข้าไปง่ายมากแต่ก่อนอามาเน้นว่ารักษาศีลอยากกลับเป็นเรื่องง่ายง่ายตรงที่เราเอาอัดข้อมูลลงไปอ ะ, อะไรเราไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นอา น, นิสง์ก็ฟังประโยชน์ฟังอา น, นิสง์ โทษของความทุศีลอินนสง์การมีศีลโทษของโทสะอินนสง์ของเมตตาแล้วก็ไล่ไปตามลําดับอันก็หมูลไปเรื่อยฟังไปเรื่อยๆเนี่ยนะน่ะเข้าน่ะเข้ากิเลสแพ้เพราะกิเลสเนี่ยอ่อนแอกิเลสเนี่ยอ่อนแอยอมไม่ได้แข็งแรงอะไรหรอกแต่เราไปตามใจเขาทีน่ะมีท้าอ่อนแอไหมอ่อนแอไหม เวลานั่งเก้าอี้อย่าไปนั่งอย่างงั้นดิถ้านั่งอย่างงั้นเดี๋ยวทีทนามิทาเข้านั่เนี่ยใช่มเขาเก้าอีนะ้เนี่ยจริงๆถ้าไม่ให้มีมีพนักพิงน่าจะดีนะเอามามีพนักพิงออามาก็ไม่ยอมพิงหรอกเดี๋ยวกลัวบรรยายไปแล้วหลับก็ยุ่งเลยใช่ไหมยอมยอมเปรียบกันดิบอกคนคนบรรยายนั่งตัวตรงเลยอแล้วก็นั่งตัวตรงๆหน่อยดีไหมนั่งนั่งตัวตรงๆคอตรงๆหน่อยยิ่สบายเลยใช่ไหม นั่งฟังทำรรตรงเนี้ยถ้าเราพิจารณาศีลของเราก็จะขาดถ้าหากเราโกรธเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอ่ะแม้ควานช้างจะหอกมาทิ่มแทงเราเราก็จะไม่โกรธและดังนี้แล้วก็น้อมศีรษะลงยืนนิ่งอยู่พระพุทธภาคเจ้าตรัสไว้ในการนั้นกําลังของเรามีอยู่ภายในตนนี่นะปกติอันใดวันเนี้ยนะ ก, กาลังของเราเสมอเหมือนกับกําลังของช้างตั้งพันเชือก แม้เราโกรธโกรธโกรธควานช้างนี่นะพวกเข้าไปใกล้เพื่อจะจับเราเราสามารถจะเหยียบเขาเหล่านั้นได้แม้ทั้งหมดแม้ตลอดถึงราชสมบัติของมนุษย์ทั้งหมดเราก็พังได้แต่ถึงแม้เราจะถูกเขาใส่ไว้ในเสาตรุงเราก็จะทำจิตไม่ให้โกรธเคืองเพื่อบําเพญ็ญศีลรักษากุโสเลศีลเพื่อบาเพญ็ญศีลและบรารมีให้บริบูรณ์ เขคิดอย่างนี้ได้ไหมของเราก็คือว่าสัมมาสัมโพธิญาณปเจกับโพธิญาณสาวกโพธิญาณอยู่ไหมของเราระดับไหนสัมมาสัมโพธิญาณปเจกับโพธิญาณหรือสาวกโพธิญาณเอาระดับไหนดีสาวกสาว ก, สาวกมีหลายประเภทระดับอักขาสาวกหรือเอามหาสาวกหรือเอาปกติสาวก อ่ะผมโหสุดแล้วเนี่ยปกติ เ, เอาแบบไม่มีคนรู้จกักหรือมีคนรู้จกักทำไมมักน้อยในกุศลจาง <c oughs> เอาให้มีชื่อบ้างไหมหรือไม่ได้หรือจะให้เขากล่าวบาอาอ้างเอายังไงดีฉดินสามพี่น้องพร้อมบริวารหนึ่งพันจะเอาสามพี่น้องหรือเอาหนึ่งพันเอาไงเอาหนึ่งพัน โอ้หนึ่พันก็ไม่ธรรมดาเนะีนะ่ยเขายังเ อ, เอ่ยชื่อบ้างว่ามีหนึ่งพันเชื่อไหมที่ไม่มีเอ่ยมาก็มีนะไม่มีใครรู้จักเลยเนะี่ยเอามีตําราบันทึกไว้สักนิดไม่ดีหรือต่อไปในสังสารวัตรเขาจะได้ระบุบ้างใช่ไหมฝากชื่อไว้หน่อยใช่ไหมคือยังไงก็ได้เดินกุศลศีลแล้วก็เดินให้เต็มสูบเลยไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าต้องบําเพ็ญ ศีลบารมีให้เต็มตามฐานะถ้าสัมมาสัมโพธิญาณก็ต้องบำเพ็ญสัมมาสัมโพธิญาณที่เป็นระดับที่จะให้ได้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณศีลระดับนั้นให้เต็มหรือปัจเจ ก, กพอดิญาาก็ต้องให้เต็มสาวกกับพอดิญญาก็ต้องระดับอาัคารส า, าวกหรือมหาสาวกหรือปกติสาวกฉะนั้นก็ต้องทำให้เต็มแต่ละฐานะถ้าลองคิดดูว่า